สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจกสิทธิ์ยมพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบคำอธิษฐานของพระเยซูวันที่ยี่สิบห้าครับคําวิงวอรที่สามพี่น้องครับคําวิงวอรที่สามก็คืออะไรครับขอให้พระทัยของพระเจ้าสําเร็จขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จขอให้แผนการของพระองค์สําเร็จพี่น้องครับ ผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความจริง5ประการที่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเราความจริงประการแรกครับก็คือพระเจ้าทรงมีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนครับความจริงประการที่สองก็คือว่าการทําตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา ประการที่สามก็คือเราสามารถที่จะรู้และทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีความพร้อมพระเจ้าจะเปิดเผยให้ ร, รู้ครับความพร้อมตรงนั้นก็คือการเชื่อฟังท่าทีแห่งการยอมรับน้ำพระทัยของสูงสุดของพระเจ้าประการที่สี่ครับพระเจ้าให้อิสระในการที่เราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์อยู่ในแผนการของพระองค์พระองค์ไม่เคยบังคับใครให้เป็นหุ่นยนต์นะครับ ประการที่ห้าครับคำอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยเราให้เราพบกับแผนการของพระเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อท่านรู้นะครับถ้าประการนี้ที่เกี่ยวข้องกับความจริงเรื่องน้ำมัไทยหรือข้อประสงค์ของพระเจ้าเรารู้สึกอย่างไรครับเรามีความปรารถนาไหมครับที่เราจะตอบสนองอย่างถูกต้องการตอบสองอย่างถูกต้องก็คือการที่เรารับรู้รับทราบในเวลานนะครับในขณะเดียวกัน เราจะต้องมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังแห่งการยอมรับแห่งการที่ภาษาเคยเรียกว่าซับมิตซีฟนะครับก็คือการยอมคำนบ น, นะครับและไปถึงจุดที่คอมมิชนะครับคอมมิชก็คือการที่เราปราราตัวที่จะอยู่ในนาพัทยาในแผนการของพระเจ้านยองจำไหมครับเมื่อเราทุกคนเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ในแผ่นดินโลกก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเรากำลังยอมรับนะครับว่าทั้งสวรรค์และโลกเนี่ยนะครับเป็นของพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้สวรรค์กับโลกนั้นแตกต่างกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในสวรรค์นั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของพระองค์ในสวรรค์ไม่มีบาปครับในสวรรค์มีแต่ผู้สวรรค์และพระเจ้าเพราะฉะนั้น เราสังเกตนะครับในทูตในในสวรรค์นั้นทูตสวรรค์ไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือบรรดาผู้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับองค์พระผู้เเจ้าบนเมืองบ ร, รมสุขเกษนั้นเขาไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสําหรับเขาแล้วเพราะว่าน้ำพระทัยของพระองค์ก็สําเร็จในชีวิตของพวกเขาแล้วเพราะฉะนั้นบรรพชนแห่งความเชื่อของเราพ่อแม่อุยาตายาย ของเราทั้งหลายบางคนที่ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกเขาไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับน้ำมัทไทยของพระเจ้าที่มีต่อตัวเขาอีกทูตสวรรค์นะครับเป็นผู้ที่ส่งสารครับหรือว่าเป็นเมสเซนเจอร์เป็นผู้ที่ทําให้หน้ํำมัทไทยของพระเจ้าสําเร็จในสวรรค์แต่น้ำมัทไทยของพระเจ้าในสวรรค์นั้นจะถูกกระทําทันทีครับไม่ใช่ภายหลังครับในสวรรค์เป็นอย่างนั้นครับ พันธุ์เดียวกันครับน้ำมัไทยของพระเจ้าที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องเกิดจากการทรงนําของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายในโลกนี้และน้ำมัไทยของพระเจ้าในโลกนี้นั้นยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จรอเวลาตามแผนการของพระเจ้าอยู่ภายใต้มิติของเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็ น, นกลไกตัวหนึ่งที่จะ ทำให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จโดยการทรงนําของพระเจ้าโดยการให้บางสิ่งบางอย่างที่มาจากพระเจ้าก็คือรับเอาพระกุญ น, นั้นเพื่อที่ลอนหลายจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าและกลไกและจักรเปลืองตัวเวงนั้นจะสามารถทําให้แผ่นดินของพระเจ้าสําเร็จได้ด้วยการประกาศพระกิติคุณครับจะทําให้น้ำมันไทยของพระเจ้าถูกกระทําอย่างครบถ้วนได้ด้วยการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะถูกกระทําอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการทรงนําของพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้พวกเราทั้งหลายในการทําให้แผ่นดินของพระองค์นั้นได้สําเร็จและเป็นไปตามพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งที่เราขอนะครับถ้าเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา ก็เหมือนกับเรากําลังบอกว่าเราจะไปเที่ยวในที่ที่พระองค์ทรงต้องการให้ไปเรากําลังบอกให้พระบิดาคุณพ่อบนสวรรค์นั้นวางแผนให้พ ร, ะราะยอมรับพระพระเจ้าพระบิดาของเราทรงเป็นกษัตริย์เมื่อเราอิทธานว่าเราขอให้เป็นไปตามพระทัยของทรงเรากําลังมอบความตั้งใจของเราใช่ไหมครับเรามอบความตั้งใจของเราแก่พระเจ้าผู้ทรงสิทธ่อํานาจสูงสุด ผู้ส่งไว้ซึ่งอำนาจอธิธปไตยทุกอย่างเห็นไหมครับว่ามีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนเมื่อเราอัยการว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราควรจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงอะไรสําหรับเราแต่ละคนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับอะไรพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงสองสิ่งต่อไปนี้พี่น้องฟังดีๆ น, นะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงสองสิ่ง อประการแรกคือน้ำมันไทยของพระเจ้าสามอาจหมายถึงแผนการรวมแผนการรวมของพระเจ้าในชีวิตของเราเหมือนกับบูปริ้นครับหรือพิมพ์เขียวเหมือนกับแบบพิมเขียวที่สาปนิษใช้เป็นแม่แบบในการสร้างอาคารสร้างตึกหลามบ้านช่องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพรงะองค์เรากำลังอธิษฐานว่าขอให้พิมพ์เขียวระยะยาวของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของข้าพงเทิด ขอให้แผนการพิมนเขียวแบบแผนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าระยะยาวนั้นสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงค์ถือเรากําลังขอให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราตามแนวทางตามแผนการที่พระเจ้ามีไว้พี่น้องครับและแผนการของพระเจ้านั้นไม่ใช่แผนการแห่งทุกระภาพครับแต่เป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว เรากําลังอยู่ในความสําเร็จอย่างแน่นอนประการที่สองครับซึ่งหมายเป็นความหมายทางาระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระงเถิดหมายความว่าเรากําลังไว้วางใจในความสามารถของการตัดสินใจของพระเจ้าไว้วางใจในความสามารถของความสัมพันธ์ูของพระเจ้าไว้วางใจในความสามารถของการทรงนําและความรักของพระเจ้าที่มีกับเราที่น้องครับผมพูดหลายครั้งว่า ไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าไม่มีใครรักเรามากเท่าพระเจ้าจริงๆครับพี่น้องครับเรารักตัวเราเองครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเราเองพระเจ้ารักเรามากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่เรารักเราครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่คุณลูกคุณหลานรักเราเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นในตามพระไายของพระองค์ความหมายประการที่สองตรงนี้ก็คือเรากำลังขอพระเจ้านำการตัดสินใจของเราโดยความสามารถในการตัดสินใจของพระองค์พระเจ้าจะนำความคิดของเราโดยความสามารถในการคิดของพระองค์โดยความสัพพันธยูของพระองค์ทีนครับถ้าเราดูในสนามรบนะครับผู้บัญชาการจะออกคาสั่งเยอะแยะเพื่อเคลื่อน กองทัพขนย้ายอาวุธส่งสเสบียงนั่นคือภาพใหญ่ครับแต่ผู้บัญชาการหรือแม่ทัพนั่นยังต้องตัดสินใจในแส่ละวันนี่คือวิธีที่ท่านนันนำทัพไปสู่ไทยชนะเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องของการอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็ น, ปนไปตามพระไถยของพระองค์นั้นเรากำลังขอการตัดสินใจของพระเจ้าแล้วกําลังขอให้แผนการของพระเจ้า เรากําลังขอให้ความรู้ความสัพัญญูของพระเจ้าเรากําลังขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นเกิดผลสําเร็จครับพี่น้องเนื่องจากความสามารถอํานาจอธิปไตยของพระองค์ในการเห็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ของเราคืออะไรครับพี่น้องภาพใหญ่ในวันนี้เราเห็นหรือเปล่าครับถ้าไม่เห็นและอยากจะเห็น ผมขออยากแนะนําท่านว่าให้เราคุกเข่าลงและขอพระเจ้าเมตตาให้เราเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราปรารถนาที่เห็นภาพใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้เราพี่น้องครับช่องทางหนึ่งก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราที่พระเจ้าหวังไว้อย่างแน่นอน เมื่อเราไข่ควรพรวจนะของพระเจ้านะครับขอให้เรามีค่าทีแห่งการรอคอยทูลขอการท่งนำของพระเจ้าในชีวิตของเราและในทุกๆวันครับเราก็รู้ว่าพระเจ้างกําลังตกแต่งชีวิตของเราให้เราเกิดมีเซลลคอนโทรลมีการควบคุมตัวเองแห้เราเกิดมีสติปัญญาในการทํางานให้เราเกิดความรักขันพี่น้องในครอบครัว ของเราให้เราเกิดความรักที่ได้รับจา ก, จากพระเจ้าเป็นความรักแห่งการเสียสละของคู่ชีวิตของเราดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าน้ำมัทัยของพระเจ้านั้นเริ่มสําเร็จในชีวิตของเราแต่ละคนแล้วและน้ำมัทัยของพระเจ้าที่เริ่มสําเร็จสะสมมาเรื่อยๆจะทําให้เราเห็นภาพใหญ่ในอนาคตครับจากโคจนของพระเจ้าเรารู้นะครับว่าน้ำมัทัยของพระองค์นั้นเป็น พิมพ์เขียวภาพใหญ่สําหรับชีวิตของเราและเราต้องการการทรงนําของพระเจ้าครับเราต้องการการตัดสินใจนะครับที่มาจากพระเจ้าในการที่เราจะเลือกเดินชีวิตของเราดาเนินชีวิตของเราอยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในบูพิ้นอยู่ในพิมพ์เขียวของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ที่เราจะมีจิตใจแห่งการยอมจำนนจิตใจแห่งความพร้อมทพ่จะเชื่อฟังมีท่าทีที่ถูกต้องต่อนรมาไทของพระเจ้าเมื่อนั้นแหละครับเราจะรู้เราจะเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของเราอาเมน